เพื่อการชำระการสอบสวนและการตอบแทนด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอาาข่าวคราวแห่งวันกิยามาได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อยอ ใบหหนนน้าาททที่ทงนนักกระจซึ่งจะเข้าไปเผาไหมในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากตานน้ำที่ร้อนจัดไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นน้ำแหง้งมันจะไม่ทำให้อ้วน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 จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในวันนั้นในนั้นมีตาน้ำไหลรินในนั้นมีเตียงที่ถูกยกให้สูงเด่นและมีแก้วน้ำถูกวางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว และมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูอูดบ้างหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไรและอย่างทองฟ้าบ้างหรือว่ามันจะถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไรและอย่างภูเขาบ้างหรือว่า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 นอกจากผู้ที่พินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น uh อลัลลอ์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต ah um, um ah um ์แท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้น คือการทรรระสอบสวนพวกเขา